สัธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วสาธยายพระสูตรแล้วก็ฟังคำพูดเท่เป็นส่วนประกอบอีกจึงที่พระเจ้าทรงสแสดงทรงสองสนเอามาเป็นการกระรมในชีวิตของเรามีศรัทธาฟังแล้วต้องมีศรัทธา มีความเพียรมีสติมีปัญญาก็มาประกอบถ้าไม่มีศรัทธาก็ทำไม่ได้จะมาฝึกหัดมาตั้งอยู่เพื่อมาให้ความเละเรือนเกิดขึ้นกับชีวิตเราโดยพบ กิจใจใกายที่มันเป็นรูปเป็นนามมันก็ตามแสดงออกรูปก็แสดงออกนามก็แสดงออกเพราะมันมีธรรมชาติมีอาการเอนจะตั้งอยู่นานไม่ค่อยได้บางทีเป็นธรรมชาติบางทีก็เป็นอาการ เพราเหตุปัจจยัยถ้าเราไม่ตั้งอยู่ไว้ก่อนมันก็เลือเล่อนไปได้ตามเหตุตามปัจจัยสศกเป็นโศกทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงมีเหตุปัจจัยที่มันทําให้เกิดขึ้นเราจึงดูแลมันด้วยซี่ให้มันเห็น เหมือนกับว่ามันโชว์ให้เราเห็นรูปมันโชว์นามมันโชว์รูปมันโชว์กลายเป็นอาการแต่เราไม่รู้กลายเป็นสุขแต่สุขเป็นอาการทุกข์เป็นอาการเช่นเวทนาเวทนาทั้งหลายสุขก็เรียกว่าเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าเวทนา เก็บปวดก็เวทนาหิวร้อนหนาวเป็นเวทนาทั้งหลายทั้งหลายก็สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มันก็ไม่ได้ตั้งอยู่แล้วมันก็เลื่อนไปแล้วจกเป็นจบทุกเป็นทุกไปแล้วโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลง ถ้าเรามีความเพียรตั้งอยู่มันก็ไม่ไปล้วก็เห็นได้ปัญญาได้ความเฉลียวฉลาดรูปมนโชมันบอกมันเปีองนี้อ่ามันหลงใครที่จะหลงกันหลงเราก็รูซ้ซเพราะเราตั้งอยู่แล้วมีชั่วเพียรมีสติมีศรัทธาก้ก้าเพียน เกลื <c oughs> หลงเป็นความไม่หลงเปลี่ยนทุกอย่างให้ที่เป็นเป็นร้ายเป็นดีเปลี่ยนให้เป็นที่มันผิดให้เป็นถูกมีอยู่จริงรูปมันแสดงจริงถ้าให้มันแสดงไปชัดไปเป็นเหมือนกับคลืนที่มันชัดไปล้วก็ มื่อวันจะเสื่อมลงให้รู้หลงก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้มันก็สนุกชัาไปไม่ได้ตั้งอยู่ใครเป็นเรื่องมากมายเป็นสุขเป็นทุก์เกิดเจ็บเจบตายในความหลงก็มีภพชาติเกิดเจ็บเจ็บตายในความโกรธก็มีความเกิดเจอเจ็บตาย นี่ว่าเกิดดับเกิดดับอาการกระดับของรูปนามในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็ชดให้เรามีความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็ชดพาให้เราเป็นความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็ชดเราไปให้เกิดความเป็นทุกข์แต่เรามีความเพียรม่ศรัทธา ก็ได้ประโยชน์จากความทุกข์ก็มาทุกข์ก็เลฉลาดกลายเป็นมรรคเป็นผลได้ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรเลือนไปหมดเลยรูปก็เลือนไปนามคือจิตใจความรู้เลยได้ก็เลือนไปหมด เลยไม่ได้ประโยชน์ในรูปกาเป็นทุกข์มีปัญหามีนามก็มีปัญหาปัญหาในตัวเองไม่พอปัญหาคนอื่นเจงเงือวัตถุอื่นเรามาศึกษามาปฏิบัติมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ ให้งานได้ได้ประโยชน์จากรูปจานนามถ้าเราไม่ศึกษาก็มีแต่ทุกข์แต่โทษแต่รูปถ้านามมันโชว์ไม่เห็นเนี่ยมันสนุกมันเป็นทัศนานุ ต, ตริยะเห็นเมื่อเห็นแล้วก็มีปฏิปทานุตริยะ เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปทำสิ่งล่ายเป็นดีมีปฏิบัติปทาไม่ปล่อยทิ้งความหลงก็ให้พรีได้ประโยชน์จากความหลงได้บทเรียนจากความหลงเพราะเรามีทัทนามีความเพียรตั้งอยู่ก่อนแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมีความเพียรเปลี่ยนได้แก้ได้เปลี่ยนได้ ความหลงกลายเป็นความรล้ดได้ความโกรธกลายเป็นความรล้ดได้ความทุกข์กลายเป็นความรู้ได้ต่อยอดได้และยอดใหม่ความโกรธเป็นความไม่โกรธแตยอดใหม่ความโกรธเป็นความโกรธไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ ความทุกข์ได้ยอดใหม่คือความไม่ทุกข์มีสติเห็นแย้งเมื่อรูปนามมาแสดงจนหมดเปลือกเราก็เรียนเป็นจบได้อะไรที่มันเกิดขึ้นผ่านศรัทธาผ่านความเพียรผ่านสติผ่านสร้างสมาธิผ่านปัญญาเหมือนกับกันกรองเป็นเครื่องกรอง ถ้าเกิดความสอดบริสุทธิ์เหมือนเครื่องกรองน้ำาอนไปจนไม่เหลือหลอความสปกปรกไปจดความสตดหมดจดใช้ได้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้จากการกรองได้ ว, ว่าชีวิต ใหมในหน้าใหม่เรียว่านาวัชีวันชีวิตใหม่เอี่ยมรีว่าพรห ม, มจรรย์บริสุทธิ์บริบูรสิ้นเชิงอัะลึกซึ้งในหัวใจของผู้ปฏิบัติเป็นปจัจจตังพยงาญชนะมาผู้จูกันฟัง่็นี่มันเป็นอย่างนี้ กลมหลงเป็นอย่างนี้ลลกลมรูปเป็นอย่างนี้จนมาแสดงเป็นกรรมฐานยกมือเข้ารู้สึกเก้านมือออกรู้สึกเป็นการสาธิตเป็นปรูปธรรมตรวจนองมาทำไม่มองไม่เห็นกันจะไปนั่งดูกันเฉยๆก็ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเหมือนเราไปเรียนหนังสือ ถ้าลู่หลังซื้อเป็นสารคนก็เขียนออกไปให้คนได้เห็นนี่ก็ไก่ขอไข่ขอไข่ขอขวดอ่านได้อ่านออกได้ประโยชน์มีความหมายความหลงมีความหมายความโกรธมีความหมายอ่านออกแล้วนี่คือหลงไม่เหมือนลูกแล้วลู่มันต่างหาก หลงมันต่างหากเหมือนเราเขียนเหมือนเราทําคณิตศาสตร์ห้าสองเป็นเก้ามันไม่ถูกห้าสองมันต้องเป็นชีชใช่ไหมห้าสองตไม่ใช่มันก็ไม่ถูกอย่งนีนี่มันบอกผิดถูกคนตกผิดถูกที่เป็นเป็นประวัติสภาวะธรรมไม่ใช่ความคิดไม่มีคำถามมีแต่คำตอก ตัเองต้อตอบเองด๋งกับรูปเป็นยังไงโกรธก็ไม่โกรธเป็นยังไงโกรธกับรูปเป็นยังไงเรียกว่าทำได้ทำเป็นสิงใดที่มันเกิดจากผู้จากนามทำเป็นหมดเรียนจบได้จนมันไม่มีโอกาสแส ด, ดงแสดงแต่ก็แก้ได้พิภาคษาได้จืดไ ด, ด้เหมือนโจดเหมือนจําเลย ถ้าโจ์แข็งจำเลยอ่อนแอแก็ติดคุกมีค ด, ดีตกจับกุมกลุ่ขังหรืออหลงโทษจงหานชีวิตตายไปลายเพราะความหลงลายเพราะความโกรธตายเพราะความทุกข์ความไม่ทุกข์ความไม่หลงความไม่โกรธมีอยู่แต่ว่า ไม่มีปัญญาเหมือนก็จำเลยโอนแน่ไม่แค่ต่างการแค่ต่างหรือกว่ากรรมมัฐานมันมีวิชาอยู่งานหลงเราก็รู้ซะมีหลักฐานนี่มือเราเคลื่อนไว้อยู่นี่กลับมาได้มันคิดไปมันสุขเ ก, กับมาได้อะมันคิดไปอ้ามัน ไปทางตาสองกลับมาเวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิดเวลานี้มามีศรัทธามีศรัทธามาแล้วออกหัวจากเดือนไม่เกี่ยวข้องด้วยว่าเดือนแล้วออกจากท้านมาแล้วนอนไม่ใช่มานั่งคิดถึงใครรู้สึกตัวกลับมามันก็มีอะไรแต่มัน ไม่ึกรู้สึกตัวมันก็เป็นตัวเป็นตนหอบหิ้วเรไปเป็นจิเลสตัณหาหละค่ะได้ความโกรธโลภหลงหลงมันเกิดดับเกิดตอ บ, บสิ่งที่มันเกิดขึ้นร่อนั้นไม่จริงไม่ใช่ตัวใช่ตนหอบพิ้วไปไม่ใช่ตัวใช่ตนทำตามมางทีก็ผิดพลาดเสียผู้เสียคน เสียเปียบเสียเปียบความหลงเสียเปียบความทุกข์เสียเปียบความโกรธทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเราเห็นอะไรเราก็จบคือไม่เป็นอะไรความโกรธไม่ได้มีความหลงไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีอันที่มันไม่มีไม่เป็นมันมีอยู่คื่อทำอย่างไะ ทำตามพระเจ้าพระเจ้าเห็นเราเห็นแล้วเห็นมีความรู้ตามความเป็นจริงเราเห็นมีเรามีความรู้ตามความเป็นจริงเราทําอย่างนี้ทำอย่งนี้ทุกเราเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเราไม่เป็นไปกับความทุกข์เราทําได้แล้วตราบนั่นก็ทําแล้ว ทำได้แล้วทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจาทุกเราทำได้แล้วมันความจริงเป็นอย่างนี้หลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจาความหลงทำได้แล้วนี่มันเป็นจริงอย่างนี้หลงเป็นหลงทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธไม่จริงเลยเสียเวลา อะไรที่มันเกิดขึ้นกับโลกกุมนามเนี่ยมาเถอะแต่พิพากษาให้ดูเพียงได้แช้ได้ทั้งหมดจนไปถึงควมเกิดก็มีความไม่เกิดมีพลังค้ามแก่ก็มีความไม่แก่ความเก็บก็มีความไม่เจ็บความตายก็มีความไม่ตาย ใกล้ว่ามันขาดปัดไปไหมเอาอะไรที่มันช่วยขันหน้าโชว์เราบ้างบสิ่งที่เกิดเพื่อกระลูกกรานาที่มันเป็นอาการธรรมชาติหมดเปลกแล้วต่ดไปแล้วเหมือนเราเห็นมันเล่นกลเห็นคนเล่นกลแต่ก่อนเราไม่รู้ลึกซึ้งเชื่อน้อมไปต่อ เหมือนเขาแสดงนคร น, นิยายต่างๆใจแล้วก็อ่อนไปตามเขาเอหาอหัวเเอาหัอเรากับเขาเขาลองให้ก็อลองให้กับเขาบางทีถ้าเราไม่ฝึกกาเป็นเจลิตนิสชัยเือใคอะไรก็เป็ น, นก ไ, กไปตามสิ่งเหล่านั้นเป็นเจลิตนิสชัยฝัก ชีองเรามันรับใช่อะไรมากลาคัาจริตกลายเป็นลาคัาจริติศง่ายที่จะหลงก็เป็นโมหิจริตง่ายที่จะโกรธก็เป็นโทสัจจิลิศแต่ง่ายที่จะรู้ก็เป็นพุทธจลิศมันรู้หรือมันหลงลบคัดจานิแต่มันโชว์มันก็หมดเหนือทุกอย่างเห็นทุกอย่างตามควาเป็นจริง แล้วก็โชว์จนบทเปือกลูกดาวขันหน้าก็โชว์สุดท้ายก็แสดงทั้งขันหน้ามีรูเปเวทนาสัญญาสังขารวหม ญ, ญานเหมือนคนหน้าคนเทว า, านขยันคนละแบบรูปกว่าเป็นรูปแสดงออกทั้งกว่าเป็นรูปที่เสมอมีรสชาติ ลูกตาเห็นก็เป็นรูปหูได้ยินก็เป็นรูปจมูกได้กลิ่นก็เป็นรูปรูปมันไม่ใช่รูปมหาพุทธลูกรูปที่เป็นอุปทานอุปทายจะรูปมก็ทฐานแทนที่ของมันเทตนาก็แสดงถึงออก ให้เป็นเวทนางั้นจะแสดงสุขให้เป็นสุขทุกข์ให้เป็นทุก ข, ข, ข์สัญญาก็ขยันแบบเก็บข้บอมูลบันทึกไว้ในความสุขมันก็บันทึกใ น, นความทุกข์ก็บันทึกในความรักความชังมันก็บันทึกไว้ฉังกันยนปุงมัน ่เหมือนช่างปั้นโม่อหยุดไม่เป็ น, ปนกุ้งอยู่เลยวิญญาณก็ติดแล้ว่ทั้งหมดตาม่ตางอักตา่างทำขยนันเหมือนกับโ้มหน้าเสียกันเราเห็นความขยันของกันหน้าตามกว่าเป็นจริงแต่เราเป็นผู้ดูแต่ก่อนเราไม่เห็นมาเลย มหาพฤฤุทธูปเห็นในรูปในนามแต่อุปทายรูปเห็นขันห้ามันโชว์นะเราก็ดูดูแล้วก็กว่าคิดว่ามันจะหลอกเราได้รูปมันจะหลอกเราเวทนามันจะหลอกเราสัญญาณจะหลอกเราสังขารมันจะหลอกเราเวญญาณจะหลอกเร า, ญญ า, ลเราแล้วก็ดูกลายเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องหมู่ โมฆะเมื่อหลอกไปหน่อยแสดงแล้วแสดงเอกมันก็หลอกไปน่ะสนุกให้สุขเปนุทุกข์เป็นทุกข์เป็นไปมาได้แม้มนมีอยู่ก็เห็นจากอุธาขันที่เป็นอุปทานหรืว่าอุธายะ ดปเป็นรูปที่เกิดจากขันธ์หน้าเห็นแจ้งตามความเป็นจริงหมดท่าหมดท่าหยุดดีด เ, ดเข้าสู่ใครวาหดเข้าสู่ใครตัวตัวธรรมชาติบางหลงเหมือนกับเรา เรายางมาลัดดึงออกมันขาดมันก็ถดเข้าไปสู่ต้นเราดึงมันก็มีสองทางใช่ไห ม, มดึงยางออกมีสองทางใช่ไหมื่อมันขาดแล้วไปไหนหดเข้าตัวสู่ธรรมชาติไม่ไม่ไ ม, ไม่เป็นอย่างนี้หดมันมันเลิกเลิ ก, ล, กลากันใช่มันะ หรือเปียบเหมือนหนึ่งแก้วมันแตกเหมือนกับใส่น้ได้ดีเอาน้าใส่ก็เป็นลูแก้วเอาเเอาเอาอะไรใส่ก็เป็นลกกูกมันนั้นน้ำที่มันแตกภาชนะมันแตกภาชนะมันแตกออกอะนะก็ใส่น้า ม, มาอยู่เพราะจะใส่น้า ม, มันจะไม่เปียกมันก็แตกออก เวลาเมื่ก็หมดเข้าตัวของฝ่ายของเราเราจะมอยใช้มันแตกมันใช่ไม่ได้มันใช่ไม่ได้เหมือนกับว่ามันใช่ไม่ได้แล้วขันหน้าที่ไปดูประธานใช่ไม่ได้แล้วเลิกลากันเลอนั้นวัเทียนพูดว่าเชือกมันขาดปัดแต่ก่อนสุก ไปสุขไปทางนี้ทุกไปทางนี้โกรธไปทางนี้ไปอย่างนี้ก็ไปพ่ายต่อกันมันข่าต่อกันแล้วก็ใช่ไม่ได้ใจสุขเป็นสุขทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธล้อเป็นลัอเกลียเป็นเกลียเจ็บเป็นเจ็บแกเป็นแก่ตายเป็นตายเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เป็นได้มันไม่เป็นอะไรชีวิตเนี่ย เวลาเวลามันไม่ไม่ไม่ใช่มันก็อยู่เนี่ยแต่เวลาใช่มันก็อยู่เนี่ยมันใช่ไม่ได้ข่มขืนคนนี้น่ารักนะข่มขืนคนนี้น่าเกลียดนะขมขืนมันไม่ใช่มันไม่เป็นอะไรชีวิตไม่เป็นอะไรชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรสิ่งที่มันเป็นเราทำมันขึ้นมาท่วมหลงเราทำมันขึ้นมา มันก็ไม่มีความหลงความโกรธเราก็ทำมันขึ้นมาความทุกข์เราก็ทำมันขึ้นมามันไม่มีนันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดมากมายนถืิตันหาสมานาทีแม่น้าเสมอด้วยตันหาไม่เปนเพราะมันทำขึ้นมาเหมือนน้ำทีม่มันไม่ขึ้นพื้นไม่ใช่น้ำ เราลู่ตามความเป็นจริงขึ้นมาเช่นนั้นนะไม่ขึ้นชีวิตมันไม่เป็นอะไรไม่ใช่ไหมความเกิดไม่ความแก่ความเสียคนตายชีวิตจริงๆมันได้ยอดใหม่ได้ยอดใหม่หมนเลยไม่ต้องเป็นอะไรนี่คือชีวิตนี่คือชีวิตพระเจ้าจังว่ามันมีอยู่ ดับเพราแห่งทุกข์มีอยู่มันมีอยู่เรารู้ตามความเป็นจริงไปอย่างนี้แต่ก่อนที่เข้าสู่ที่แท้มก็ไม่มีแต่มันมีไปกลับเขืนมาไม่มีอะไรกรอนที่ไม่มีอะไรต้องไปต้องมีการกระทำไม่ใช่ว่านั่งอยู่ไม่มีอะไรเลยว่าไม่มีการกระทํามีศรัทธา นี่เพราะมันอะไรแบบที่มันมีอยู่แล้วในชีวิตเราแล้วมีความหลงหลงเป็นหลงร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวหิวเป็นหิวปวดเป็นปวดเราจะมาเห็นแต่หลงเป็นหลงร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหวาหนาวปวดเป็นปวดอะไรแนั้นที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่ แ้วจึงมามีการกระทํามันจึงกลับมาชูมันก็ทําแล้วได้ทําแล้วได้ทําแล้วทําได้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วแย่งแล้วมันก็เลยจึงว่าไม่เป็นอะไรเพราะมันทําแล้วมันจึงไม่มีอะไรเหมือนมือที่เรากทำอยู่เราวางแล้วก็ไม่มีอะไร แต่ก่อนมันก็สุกเป็นถูกสุค ข, ขื่นทุกข์อะไรเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดวันนี้มีแต่เห็นไม่เป็นเลยบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอนะยรพูดปัญญาทั้งหลายลองศึกษาดูมีสิทธิร้อยเปร์เซนทุกชีวิตก็ พลิกมือขึ้นรู้สึก ก, ก้วมือรู้สึ ก, กเรียกว่าใช่แล้วใช่ได้แล้วใช่ใดแล้วถ้าพลิกมือไม่รู้สึ ก, กยกมือไม่รู้สึ ก, กอาจจะเป็นโบสถ์ไปเฉยแล้วแต่ไม่ค่อยจะมีแม้แต่คนบ้าที่มันทำไม่ค่รู้นะคนบ้าแต่บางก็ดีกว่าเราหลายอย่าง งูกัด้าไปตายเขี็นตัามตะคลองง้มเน่าน่ในยตลาดมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมแล้วตาจะเหนคนบ้าไปกอบเป็นน้ํำในตะครองเฉยวๆจรก็มไม่เป็นอะไรมันมีเลือดที่มันที่มันบ้าอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะใหญ่หนังเป็นบ้าใส่เป็นเด็กแลี้งควายด้วยกันไปจกลู งูห า, าอยู่ในรูเก็บงูเรือดอาไปงูกดัดงูกดัดงูกดัดจ้ะงูกดัดเพาะเราเรียนเด็กไปขุดดูมีงูเหาอยู่ในนั้นได้เป็นคนไม่บ้ากับเปื่อยมันปวดแต่ก็อยู่เฉยคนบ้าเฉยไม่เป็นไรเลยไปเลี้ยงควายกอบกินน้้า คุณๆน่อมหมิ้นขี้วัวขี้ค ว, วก็กินเลยนะงทีได้เกบได้เขียดมาเอาใส่ไฟทั้งเอามากินทั้งเอาใส่ไฟกินข้าวกับกบเขียดที่เอาใส่ไฟแล้วปีเอามากิ น, ก น, ก ด, าากนดิบๆก็กินได้แต่เราเป็นคนดีกินไม่ได้นี่เราจะทำเป็นอย่างนั้นไม่ได้เด็กขาดหลงแค่เป็นหลงไม่รู้อะไรไม่ได้ไมีทษผิปโทษ ปจปนน้ำเน่าเน่าก็ต้องตายแน่นอนงูเห่ากัต้องเก็บปวดมือขาดหรือตายไปก็ได้เน่าหลงถ้าหลงเป็นหลงไม่ได้ทนะ่าที่เป็นชีวิตของเราถ้าหลงก็พาไปไกลคนบ้าเขาหลงอยู่แล้วนาคนดีถ้าหลงก็ไปไกลนะ เป็นเปรเป็นสุกยไปสั่นโลกเป็นเดรัจฉานไปนอนทุกข์เป็นทุกข์ก็ไปเป็นนรกไปนอนนอนเมื่อคุมอย่างนั้นมนุษย์สาเปโตหน้าตาเป็นมนุษย์แต่ชีวิตจิตใจมัเป็นเปรตมนุษย์สาเดรัจฉานหน้าตากปนุษย์ใจจิตใจไม่พัฒนาโกงง่วงเป็นอสุรกายมนุษย์สา เทวนา่ปนุษยพุทธกิจใจจนเป็นเทวทัพวิหารได้รมเป็นอินเป็นผมเป็นพระน้าพุทธนะถ้าให้พุทธก็ไปทางต่ำจึงมีศีลมีธรรมมีความเผยดความถูกงอพุันให้ได้ประโยชน์จากความหลงงานเป็นควมรูถ้าหมันหลงนะ ไม่เคยลูกให้มันได้ความลูกขึ้นมาปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้มันคุ้มอย่าไปทำให้มันยุ่งยากการดูแลตัวเองเนี่ยมันน่าจะนั่งยิ้มยิ้มดูมันเอาจจะเคลื่อนมือเล็กๆน้อยๆมันหลงเห็นมันหลง มันง่ายๆถ้าหลงเป็นหลงโอ้ยไม่ชอบแล้วไม่อยากให้หลงก็หลงอยู่มันเุ่งซ้านเป็นของรากไม่ชอบอยากนํามาสงบมันมีผิดมันม่ถูกไม่ใช่นักปฏิบัตินะถ้าเป็นเช่นนั้นมันเพีงโคกขึ้นเขามันยาให้เห็นเฉยๆเนี่ยนะ อยู่เฉยๆเยิมเยิมดูมันมันหลงเห็นมันหลงไม่ได้หลงไปกับความหลงมันผิดเห็นมันผิดไม่ได้ผิดไปกับความผิดมันถูกเห็นมันถูกไม่ได้ถูกไปกับความถูกมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ได้ไปกับความทุกข์มีแต่รู้อยู่เนี่ยมันง่ายง่ายจิงคุกหลงโขไม่ใช่ผิด ไม่ชอบถูกจึงชอบหลงไม่ชอบรู้จึงชอบสงบเป็นเรื่องชอบไม่สงบไม่ชอ บ, ไ ม, ชอบไม่จะให้หมีความชอบไม่ชอบเรียว่าปฏิิธรรมเป็นดูเป็นมักมันไปกลางๆนะไม่มีอย่างนี้ไม่มีใช่ไม่ควรเนี่ยเ ห, เห็นมันหลงเห็นมันไปแล้วมันผิดเห็นมันไปแล้วตรงปฏิปัตรงแล้วไปแล้ว มันมีนะตอนที่มันไปขัวไปใช้มีนะก็ถูกก็ไปทางขวับซะชอบอ็ผิดก็ไปทางใช้ซะไม่ชอบชีวิตบวกลบอย่างเนี้ยเป็นอารมณ์ของปุตชนนะถ้าจะบอกว่าปุตชนนะ <c oughs> ถ้าเป็นเนี่ยเป็นบวกเป็นลบอยู่เนี่ยถ้าพระเจ้าไม่มีบวกไม่ลบเป็น สุขเปนทุกข์เป็นทุกข์ปุถุชนอใช่ไหมให้สุกมีอำนาจให้ทุกข์มีอำนาจอาจใช่ไให้หลงให้โลภชอบหลงเห็นวันหลงไม่ได้เพียลไรไม่มีรสชาติอะไรในความหลงความมันมีแต่เห็นไปเนี่ยยิ่งใหญ่นะแต่ว่าที่ปฏิบปธรรมมันอาศัยได้จริง มันเป็นเสมือนกับพ่อแม่บ้านพ่อบ้านแม่อยู่กับของรู้จึกตัวเห็นเนี่ยมันอยู่กับบ้านพ่อบ้านแม่ทำย่อมรักษาผู้พุธทธธรรมไม่ตกเป็นที่ชั่วทำผู้พุธทธธรรมย่มอมจุเป็นศุขขึ้นไปจนไม่เป็นไรทาน มันมีแต่ผ่านไปการผ่านในมันมันเป็นจุดหมายปลายทางจั่ววิมุตต์ภพเมชันของเราคือวิมุตต์การหลุดพ้นการผ่านไปนะไใช่อันอื่นแค่ น, นั้นการผ่านตรงไหนมันหลงเหตุมันหล ง, หลงไปแล้วไปแล้วมันโกรธเหตมันโกรธไปแล้ว ไม่โกรธมันเป็นบุกโกมันทุกข์เกิมันทุกข์กกปล่อยแล้วไปจากไหนะไปจากฆ่าศึกระหัางผู้ไกลจากฆ่าศึกหากายวิธีที่ปฏิบัติทรมมันไปมันรู้เนี่ยก็ไปแล้วกลัวจนว่ถึงความรู้สึกตัวเนี่ยมันผ่านเลยมาแล้วก่อที่มารู้สึกตัวมันผ่านเลย มัรู้สึกตัวคืออะไรมันทำอะไรมันละอะไรมามั น, มนเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วให้มีความรู้สึกตัวเป็นสินฉิขาถ้าหลงแล้วย้อยแล้วไม่ใช่ศินสมาทานเป็นสินฉิขาถ้าลหลงกล้ยองหลงย้อยรู้แล้ว <c oughs> <c oughs> ย่อยแล้ว ด้วยความโลภเหมือนทหลงแร่โปลเพื่อนมาถลงออกในเนื้อแล้วความหล ง, งได้ไม่หลงความโกรธได้ไม่โกรธได้ความโลภความทุกข์ได้ความโลภ ค, ค, ความอะไรต่างๆปัญหาได้ปัญญาไปแต่ ว, ว่าศึกขาและทําเป็นเครื่องเี้งชีวิตชีวิตของเราก่เกิดอยู่บนนี้ ได้ศึกษาไเลี่ยงชีวิตผมาจารย์ชีวิตที่เป็นรูปเป็นนามได้จากข้าวปาอาหารตาวาเลงกราอาหารอาหารคือคำข้าวพัชอาหารอาหารพัชโตมาตั้งไ ห, ญญ ห, าหาวิญญาณอาหารอาหารวิญญาณป้อนวิญญาณอาหาร จิกขาเล่ธรรมเป็นเครื่องแดงชีวิตของภิกษุต้องหลอดผู้เห็นภัยในวัดตะภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัดตะเวียนว่าตายเกิดหลงจีข้างจีโหนโกฏิข้างจีโหนเวียนอยู่ตรงนั้นไปขึ้นฝั่งผู้เห็นภัยต้องขึ้นฝั่งหลงต้องไว้ลง เป็นจิการและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายผู้เห็นภายในวัดตะคือสตินี่แหละที่ที่ทำไมไม่เป็นอะไรคือสติไม่มีไม่เป็นอะไรคือสติฌานนั้นสูงสุดคือสติ พิมุตย์อันสูงสุดคือสติที่เป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดามันมันไปสติปัฏฐานทีเหล่านี้ต้องมีสถามนความเพียรมีสติมีส่วนประกอบหลายอยา่างไม่ใช่อยู่ๆจะมาทำเป็นปัญเททำไม่เป็น มันหลงรู้ไม่เป็นมันโกรธรู้ไม่เป็นมันทุกข์รู้ไม่เป็นทาไม่เป็นก็มาหัดมันเป็นชที่ได้ถ้ามันเป็นเราก็ไม่ต้องหัดเราั้นเราหัดว่าหัดก่าที่ไร้ก็ต้องหัดมันหลงไปกลับมาโดยวิชากรรมฐานอาศัยวิชากรรมฐานนี้เป็นตัวะฉพาทฤษฎีหรือปฏิบัติ กายและปัญญาสติปัฏฐานพี่นาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําไม่เห็นกายมีสติเห็นกายก็เห็นสุกเ็ทุกไม่ต้องไปว่าก็ได้เวทนาจิตธรรมไม่ต้องไปว่าก็ได้ถ้าเห็นกายอยู่ในกายก็เห็นมันสุกก็เห็นนั่นอะไรก็นเวทนาแล้วอันชิดก็เห็นมันสงบเหมือนฟุ้งซ่านเห็น มันเป็นในวอนวง้องอนอนเห็น่ะเห็นทำทั้งหลายกุศนก็มีอกุศลก็มีถ้าดูตรงนี้มันก็เห็นอ่ะโน้น ون. ไม่ต้องไปว่ากายจากว่ากายไม่ใช่จดบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาจากวาเวทนามันใช่ปไปไล่แบบนั้นถ้าเป็นภาพปฏิบัติมันสรุปมาทั้งหมดนี่จิเห็นกายอยู่เนี่ยรู้อยู่เนี่ยงอนปวดเห็น มันโศกเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันทุกข์เห็นเวทนาทนา้หากลับมาเนี่ยมันรู้มันมคิดอะไรมันสุกกลับมาเรียกว่าทำแล้วกับเวทนามันคิดไปกลับมาทำแล้วกับกบจิตมังวงหนหอนอนมันคิดฟุ้งซ่านอะไรกลับมาทำแล้วกับธรรมทั้งหลายทั้งหลา ย, ลายมันเป็นธรรมขึ้นความรู้สึกตัวทั้งหมดรวมมอจุตนี้ทั้งหมดเลย ว่ใช่คนอ่านมันก็ยารักษาโรคปวดท้องต้องใช่อย่างนี้ปวดหัวต้องใช่แบบนี้แต่ว่าปฏิบัติมาเดียวเนี่ยกรรมนี่ยมันชกกรรมมาลู่มันคิดกับมมาลู่ทั้งหมดคือกายเวทนาจิตธรรมเป็นทฤษฎีแลยปฏิบัติง่ายๆอย่างนี้กรรมมือเดียวอย่างนี้รวมอยู่ที่นี่นะก็กรรมฐานจึง จึงเป็นวิชาที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าคือเนี่ยผู้แฉมเขา้าเหยื่อฉันออกเรามาทำตามพุทธเจ้าที่ทำมาอย่างนี้ไม่ใช่เรามาสร้างขึ้นมาเองพิสูนกันดูนะก็สมควรใจเวลานะกอาพรพพร้อมกัน